บททีสามสิบเอดอตัรติอตมิติที่ร้านอาหารสาม Restaurancy เมสซ์ซมิ Restaurancy าม ดิฉันอยากได้ออเดอร์ฟค่ะซีวิกอรีวดิฉันอยากได้สลัดค่ะสลัดธรลัดธรมสูรดิฉันอยากได้ซุปค่ะซุปิิมสูรส ดิฉันอยากได้ของหวานค่ะทสเติดิดิฉันอยากได้ไอสิสครีมใส่วิปครีมค่ะดรบิตนักอินรบดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะ m มมินดาว เมืินาทีที่เราต้องการทานอาหารเชา้าชเวนซาวส์เมกวินดาชเวนซาวส์เมกวินดาเราต้องการทานอาหารกลางวันชเวนซาดลิกวินดาชเวนซาดิลิกวินดเนาดนดเราต้องการทานอาหารเย็น ชวนว่าฉันวน ว, าวนอาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะรัสิสูรเว็บเชาอุเมเเว็บเเมขนมปังกับแยมและน้ำพึ่งไหมคะพุนทุชสัสเจมิตทูททปลิตพุนทุชสัสเจมิตทู ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะโอร์츠ฮอบลาสเซขวิทูควเวลิตโอร์ลาสเซขวิทูค ว, วลิตไข่ลวกไหมคะมฮาร์ชูลเวอรซคีมฮาร์ชูลเวอรซคีไข่ขาดาวไหมคะ เอร์บกเวรสคีเออร์บกเวรสคีออมเล็ตไหมคะออมเล็ตตี้อมเล็ตตี้ขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยคะ่ะ t ุเ shades lepa kidev e y o g u r t t a e p a kidev e y o g u r t ขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะ ทสเล็บกมาริี่ตาปิลปิลี่ทูชีดสเมารี่ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะทูชีดสเล็บกี่เดฟเอิร์ติจิคัตส์กาลี่